คนที่สะสมวิบากแห่งความชั่วไว้มากก็ยอมจะนึกคิดแต่ในทางชั่วประพฤติแต่ในทางชั่วและก็มักจะต้องพบกับสิ่งชั่วต่างๆส่วนคนที่สะสมวิบากแห่งความดีไว้มากเขาก็จะนึกคิดแต่ในทางดีได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีรันแล้วความดีในตัวเขาก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปท่านได้ให้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งว่า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 เขาก็อาจจะไม่เชื่อแต่สำหรับคนที่ซึ้งเนือเรื่องพลังของวิบากจะไม่มีใครสงสัยเลยอำนาจแห่งแม่เหล็กซึ่งอยู่ที่ขั้วโลกย่อมจะมีอิทธิพลทำให้เข็มทติต้องหันไปทางทิศเหนือเสมอคนที่ไม่รู้ความจริงในเรื่องนี้ก็มองไม่เห็นเลยว่าอำนาจแม่เหล็กที่ว่านี้มันมีได้อย่างไรเพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น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 ที่เรารู้ก็เพราะเคยเห็นเขาทำอย่างนั้นบ่อยๆในทํานองเดียวกันผู้ที่ได้ทิพยญาตจักษุซึ่งสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนนั้นตายคนนี้ตายและไปเกิดอยู่ที่ไหนด้วยการมองเห็นตัวอย่างเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงทำให้มองเห็นชัดว่าอํานาจแห่งวิบาสที่แต่ละคนสร้างเอาไว้นั้นคืออานาจดึงดูดที่ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์มาก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 ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่ใช่เกิดจากวิบาสของกรรมชั่วแต่หากเกิดจากวิบาสของกรรมดีที่สูงส่งจอร์ดวอชิงตันคาวเออร์นักวิทยาศาสตร์ชาวนิโกรผู้มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งของโลกประธานาธิบดีลินคอนหรือโดยที่สุดพระมหากษัตริย์ของไทยบางพระองค์เช่นสมเด็จพระเจ้าตากสินสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าท่านเหล่านี้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 หวังว่าคงจะให้ความกระจา่างในเรื่องความสับสนในเรื่องนี้ได้ดี